บทที่36ตกลงผมจะเล่าโดยวิเคราะห์จากบริบทของสังคมอินเดียซึ่งเป็นสังคมที่ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งที่พระไตรปิฎกบันทึกไว้เช่นงานนักขัตเลิกบนภูเขาเมืองราชครื ที่ท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะไปชมสมัยที่ยังไม่ได้บวชปัจจุบันงานนี้ก็ยังมีอยู่แม้รูปแบบการแสดงจะเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมแต่เขาก็ยังจัดงานกันทุกปีเป็นเวลากว่า2 0 0 0ปีแล้วสิ่งที่ฝังใจคนอินเดียอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวันนะพวกคนวันนะต่ำจะกลัวพวกวันนะสูงโดยเฉพาะวันณะพรามนั้น พวกวันณะต่ำกลัวมากรองลงมาก็คือวันนากริย์แต่ถ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าจัดวันนากริย์ว่าสูงกว่าวันณะพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ยังให้กษัตริย์เลี้ยงเพราะฉะนั้นคนสองวันน้านี้ถือว่าวันณะสูงทีนี้การที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบนั้นจะเป็นการถูกประชาทันไม่ได้เพราะ พระเทวทัตเป็นเจ้าชายคืออยู่ในวรรคสัตย์ซึ่งประชาชนไม่กล้าทาร้ายท่านอยู่แล้วนอกจากนี้พระเทวทัตยังเป็นนักบวชซึ่งตามธรรมเนียมของอินเดียไม่มีใครทำร้ายนักบวชไม่ว่าจะเป็นนักบวชของศาสนาใดาก็ตามผมจึงเชื่อตามพระไตรปิฎกว่าที่พระเทวทัตถูกธรณีสูป หมายถึงถูกแผ่นดินสูบจริงๆไม่ใช่การถูกประชาทานเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือขณะนั้นท่านเทวทัตสานึกผิดแล้วและท่านก็กำลังอาพาธหนักใครจะทำร้ายบรรพชิตผู้ซึ่งกำลังอาพาธหนักคนสมัยนั้นเขากลัวบาปการทำร้ายนักบวชที่กำลังอาพาธหนักถือว่าบาปมากไม่มีใครทาเช่นนั้นแน่นอน พระมหาทองยอดเล่าค่อนข้างยาวผมก็ไม่เชื่อครับว่าจะเป็นการถูกประชาทันเพราะพระเทวทัตทำอนันตรยกรรมไว้ถึงสองข้อข้อที่สี่กับข้อที่หซึ่งถือว่าบาปหนักมากหนักจนแผ่นดินก่อรองรับไว้ไม่ไวหลวงพ่อวัดดอนเมืองออกความเห็นส่วนหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงพูดว่า สำหรับผมผมเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเคยเป็นเจ้ากรรมานเวรกันมาหลายภพหลายชาติในชาตินี้เราจะเห็นแต่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอ่านชาดกก็จะเห็นว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังบําเพ็ญบารมีไม่แก่กล้าพระองค์ก็ทรงเคยทำร้ายพระเทวทัตเช่นกัน เรื่องกรรมเป็นเรื่องของเหตุและผลถ้าไม่มีเหตุผลก็จะปรากฏออกมาไม่ได้ในพระชาติพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มีชาติหนึ่งที่ทรงเป็นพ่อค้านําเรือสัมเภาบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองพระเทวทัตในชาตินั้นก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันพระเทวทัตกโกรธพระพุทธเจ้าที่ไปซื้อสินค้าที่ตนหมายตาไว้ถึงกับ เกาะเมล็ดทรายขึ้นมาเต็มกำรร ม, มือแล้วประกาศว่าขอจองเวรกับพระพุทธเจ้าเท่าเม็ดทรายในกำ ม, มือตั้งแต่ชาตินั้นเกาะจองเวรกันมาทุกชาติในพระชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตก็เกิดเป็นชูชกมาชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรง สิ้นภพสิ้นชาติแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพระองค์เป็นผู้สิ้นเวรแล้วไม่ว่ากับผู้ใดแต่พระเทวทัตยังต้องเกิดอีกจึงทำกรรมต่อแล้วก็เลยถูกลงโทษแต่กุศลที่ท่านถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาเมื่อท่านพ้นจากนรกอเวจีแล้ว ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าอทิสตระผมรู้สึกว่าท่านพระครูจะมีความรู้มากกว่าผมเสียอีกนี่ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่ากําลังจะสอนหนังสือพระสังฆราชอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเอามาเพร้าห้าวมาขายสวนพระมหาทองยอดชมอย่างจริงใจผมคงรู้ไม่มากไปกว่าที่ท่านมหารู้หรอกครับ ท่านมหาจบป ร, รียนเกซึ่งถือว่าสูงสุดของป ร, ริยนธรรมส่วนผมไม่จบสักป ร, ริยนเดียวเพราะฉะนั้นจะรู้มากกว่าท่านมหาไม่ได้ท่านพระครูพูดออกตัวเอาเป็นว่าในบรรดาพระสามรูปนี้ผมรู้น้อยที่สุดก็แล้วกันและตอนนี้ผมก็อยากฟังเรื่องธรณีสูบต่อ หลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเพราะอยากฟังต่อตกลงผมจะเล่าต่อเมื่อกี้นี้ผมยกเหตุผลมาแสดงแล้วว่าพระเทวทัตไม่ได้ถูกประชารันแน่นอนทีนี้ก็มาถึงพระเจ้าสุปปพุทธะซึ่งท่านไปนั่งขวางทางเสด็จพระราชดำเนินของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากพระองค์ไม่หลีกทางให้ตถาคต พระองค์จะต้องถูกธรณีสูบภายในเจวันพระเจ้าสุปปพุทธเชื่อจึงขึ้นไปอยู่บนประสาทชั้นที่เจไม่ยอมลงมาแต่ในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้มาถูกธรณีสูบจนได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นการถูกประชาทันเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นลุงของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นบิดาของพระนางพิมพาด้วย ทีนี้ก็มาถึงนันทามานบซึ่งถูกธรณีสูบหลังจากที่ข่มขืนพระอุบลวร น, นาเถรีแล้วถ้าจะว่านันทามานพถูกประชาทันก็เป็นไปไม่ได้อีกใครจะมาประชารันเพราะที่นั่นมีแต่พวกภิกษุณีอยู่ส่วนานางจินจมานวิกาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประชาทันเพราะธรรมเนียมอินเดีย เขาไม่ทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะอยู่ในวัดขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนางจินจมานวิกาบาปมากตรงที่นางเกือบจะทำร้ายพระพุทธศาสนาแบบถอนรากถอนโคนคนบาปนั้นแม้แผ่นดินก็รับไม่ไหวจึงต้องถูกลงโทษสมควรแก่กรรมที่ทำที่พูดมานี้ผมมาได้ประสบการณ์ที่นี่ถ้าไม่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิแห่งนี้ ผมก็คงจะเชื่อเหมือนกับที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นเชื่อพระมหาทองยอดสรุปท่านมหาครับผมอยากทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนาลันทาเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกท่านพระครูเอ่ยขึ้นหลังจากที่เงียบกันไปครู่หนึ่ง ด้วยเกิดธรรมสังเวทมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดหลังพุทธกาลไม่นานนักแหล่งกำเนิดของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือวัดเล็กๆประมาณหกวัดที่รวมตัวกันเข้าโดยมีการสร้างกำแพงล้อมรอบรวมเป็นวัดเดียวกันก่อนแล้วกลายเป็นมหาวิหารต่อจากนั้นก็ขยายตัวขึ้นมาเป็นลำดับตามยุคตามสมัย การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ยังไม่มีใครทราบชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรจากหลักฐานทราบเพียงว่านาลันทามหาวิหารเกิดมีขึ้นก่อนปีพุทธศักราช600เมื่อพระราชามหากษศัตร์ที่นับถือพระพุทธศาสนาทรงเห็นว่ามีพระมาเล่าเรียนกันอยู่มากก็ทรงอุปถรัรมภ์บำรุงพระที่มาเล่าเรียน ก็สะดวกสบายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันได้เต็มที่มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ขยายใหญ่โตจนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นและได้แผ่ภัยสารไปตามประเทศต่างๆก็มีพระสงฆ์จากอาณาจักรหรือดินแดนอื่นๆที่นับถือพระพุทธศาสนาเดินทางมาศึกษาที่นาลันทา ตัวอย่างเช่นอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดถึงตอนใต้ของประเทศไทยคือทางนครศรีธรรมราชดินแดนเหล่านี้ล้วนในอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากพระสงฆ์จากอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา เห็นว่าฝ่ายทางจีนก็มีพระมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับท่านพระครูถามครับที่สำคัญคือหลวงจีนเหียนจังหรือที่เรารู้จักกันในนามพระถังกําจังก็เดินทางมาเรียนที่นี่ด้วยเรียนจบแล้วก็ได้เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยนาันทาพระถังซาจังเป็นที่เลื่องลืออยู่ในประวัติศาสตร์ เพราะท่านได้นำความรู้ทางพระพุทธศาสนากลับไปประเทศจีนเท่ากับท่านได้ทาหน้าที่ของพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับพูดอีกอย่างก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามบ้างครับ มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับทางตะวันตกซึ่งถือว่ามีมหาวิทยาลัยยุคแรกคือมหาวิทยาลัยโบรญญยาและมหาวิทยาลัยปารีสแล้วมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดก่อนมหาวิทยาลัยสองแห่งนี้จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก ผมได้ทราบมาว่ามหาวิทยาลัยนารันทามีหอสมุดแล้วก็มีหนังสือเป็นจํานวนมากใช่ไหมครับท่านพระครูถามอีกครับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ามหาวิทยาลัยนารันทามีหอสมุดใหญ่ถึงสอาคารหลังหนึ่งชื่อว่ารัตนสาครสูงเกชั้นอีกสองหลังชื่อ ลัทธโทนทีและรัตนรัญชกะซึ่งภายหลังก็ได้ถูกเผาโดยพวกมุสลิมเติร์กเมื่อปีพุทธศักราช1ัน0รและถือเป็นการสูญสิ้นไปจากอินเดียของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศสีลังกาเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกเผา ได้มีนักประวัติศาสตร์มุสลิมบันทึกไว้ว่าการเผาหอสมุดหลังหนึ่งกว่าจะหมดก็ไหมอยู่เป็นเดือนแสดงว่าใหญ่โตมหโฬานมากนอกจากบันทึกเรื่องการเผามหาวิทยาลัยนารันธาแล้วยังบอกอีกว่าได้สังหารพวกศรีรษะโลนที่อาศัยอยู่ในที่นั้นทั้งหมดเรื่องนี้แสดงให้เห็นพระไตรลักษ์คือความไม่เที่ยง ความทนอยู่ไม่ได้และความปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เมื่อมีการเกิดขึ้นก็มีการตั้งอยู่ก็ต้องมีการดับไปอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ท่านมหาพูดถึงนวนาลันทามหาวิหารหมายถึงมีการสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่หรอครับคนถามคือหลวงพ่อวัดดอนเมือง แต่ก็ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตเป็นเพียงสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยมคตมหาวิทยาลัยมคตสร้างขึ้นเมื่อปี2500เพื่อฉลอง25พุทธศตรวรรษปัจจุบันมหาวิทยาลัยนารันธาใหม่หรือว่านวนาลันธามหาวิหารเป็นสถานศึกษาที่มีทั้งพระและครือส่าเข้ามาศึกษาแต่ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา คือมีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาขณะที่มหาวิทยาลัยมศตมีการสอนทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นศาสนาปรัชญาภารตะศึกษาเอเชียศึกษาและแม้แต่ไทยศึกษาก็ยังมีอาจารย์ที่สอนเก่งทั้งนั้นแล้วก็แปลกที่อาจารย์มุสลิมมาสอนพระพุทธศาสนาผมว่าเขารู้ศาสนาของเรามากกว่าที่พวกเรารู้เีอีก ชาวพุทธควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังจะได้ไม่อายมุสลิมเขาท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับท่านพระครูตอบและพูดอีกว่าที่วัดผมมีมุสลิมมาเข้ากรรมฐานด้วยเข้ามาในเดือนที่ถือศีลอดมาถึงก็ถามว่าวัดนี้สอนพุทธโธหรือเปล่าผมก็ตอบว่าเปล่า สอนพองหนอยุบหนอยกับขว้าย่างหนอซ้าอย่างหนอ ย, อยนอเขาก็บอกงั้นก็ได้ถ้าสอนพุทธโตไม่ได้ผมก็สั่งแม่ครัวให้ทําอาหารมุสลิมคือไม่มีหมูน้ํามันก็ไม่ให้ใช้น้ํามันหมูให้ใช้น้ํามันผืชแทนเขาก็ขอทานอาหารสองเวลาคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกับหลังพระอาทิตย์ตก ผมก็ให้ตามที่ขอท่านมหาเชื่อไหมครับเขาตั้งใจปฏิบัติมากดีกว่าชาวพุทธเสอีกเขาไม่พูดไม่คุยกันเลยส่วนชาวพุทธคุยทั้งวันแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกนะครับเดี๋ยวจะมาว่าผมลำเอียงเข้าข้างมุสลิมผมไม่ได้เข้าข้างแต่พูดไปตามหลักฐาน ชาวพุทธที่ไม่คุยกันก็มีแต่ก็มีน้อยส่วนใหญ่จะคุยกันที่วัดผมเป็นนานาชาตินะครับท่านมหาน า, นาชาตินาศน า, าสนาเพราะผมถือว่ามนุษย์ไม่ว่าชาติใดศาสนาใดก็มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมชาติเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติต่อไปโลกจะเปิดกว้างมากขึ้น ศาสนิกต่างศาสนากันจะเรียนรู้ศาสนาของกันและกันอย่างที่ผมพูดเมื่อ ก, กี้นี่ว่าที่มหาวิทยาลัยมคตอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนากลับเป็นมุสลิมวิชาพระพุทธศาสนาหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือพุทธศาสตร์ศาึกษากําลังเป็นที่นิยมเรียนของชาวโลกจึงมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนกันมากเพราะที่นี่เป็นแดนเกิดของพระพุทธศาสนา คนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูรองลงมาก็าศาสนาซิกคริสอิสลามพุทธมีน้อยมากนอกจากจะมีน้อยแล้วคนที่นับถือพุทธก็ยังเป็นพวกวันนาตตาจึงไม่ได้รับการศึกษาถึงขนาดที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ต้องมาเรียนเพราะยึดเป็นอาชีพได้ พระมหาธงยอดให้ข้อมูลก็เหมือนกับเมืองไทยที่ชาวคริสต์ต้องมาเรียนพุทธศาสนาผมหมายถึงชาวคริสต์ที่เป็นนักบวชและก็จะเป็นบาทหลวงเพราะเขามีหลักฐานว่าผู้ที่จะเป็นบาทหลวงจะต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแสงธรรมและในหลักสูตรก็ต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาถึง8วิชา ได้แก่วิชาพระวินัยปิดกวิชาพระสุตตันตปิดกวิชาพระอภิธรรมปิดกวิชาประวติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยวิชาประวติศาสตร์พระพุทธศาสนาทั่วไปวิชาพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาวิชาพุทธเจริยศาสตร์และวิชาสมถะวิปัสนากรรมฐาน โดยเขาจะว่าจ้างชาวพุทธที่มีวุฒิสูงมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีไปสอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองถือโอกาสเผยแผ่ความรู้ที่ได้มาหมดัดจากการแสวงบุญในครั้งนี้ครับต่อไปคงไม่มีสงครามศาสนาเกิดขึ้นเพราะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและ ก, กันอย่างที่เรียกว่ารู้เขารู้เราโลกจะได้สงบเสถี พระมหาทองยอดคาดการผมก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับท่านมหาแต่รู้สึกจะผิดหวังเพราะในอนาคตคนจะพากันทิ้งศาสนาไปหาศาสนาใหม่คือศาสนาวัตถุนิยมชาวโลกก็จะพากันลหลงไหลได้ปลืม้มกับวัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายทั้งทางกายจนเป็นเหตุให้หลงลืมจิตใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญสูงสุดแต่จิตใจกลับตกตำ่ำเพราะาขาดการพัฒนาพูดสั้นๆก็คือมนุษย์ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาวัตถุแต่ว่าไม่มีเวลาพัฒนาจิตใจจริงอยู่ในอนาคตอาจจะไม่มีสงครามาศาสนาแต่ก็จะมีสงครามกิเลสตัณหาเกิดมาแทนซึ่งผมว่าร้ายแรงกว่าสงครามาศาสนาสิอีก การทำสงครามศาสนาสมัยโบราณเขาก็จะใช้มีดบ้างดาบบ้างหอกบ้างประหัตประหารกันต่อมาก็พัฒนาเป็นใช้ปืนใหญ่เช่นสงครามลีแพนโตซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างพวกคริสเตียนกับพวกมุสลิมเติร์กที่ผมอ่านพบในหนังสือเอนไซคลนพีเดียแต่กระนั้น ผู้คนก็ยังไม่บาดเจ็บล้มตายมากมายเท่ากับสงครามยุคปัจจุบันที่ใช้ระเบิดปรมาณูประหัตประหารกันทำให้คนล้มตายเป็นแสนเป็นล้านเพราะอะไรเขาต้องทำสงครามเพราะกิเลสตัณหานั่นเองท่านพระครูพูดปลงปลง แล้วกิเลสตัณหาของมนุษย์ก็มากมายเสียเลิศเกินมากถึงขนาดพระพุทธองค์ตรัสว่าดีนะที่กิเลสตัณหาเป็นนามธรรมหากแม้กิเลสตัณหาเป็นรูปธรรมแล้วละก็จักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปคือจักรวาลที่ว่ากว้างแสนกว้างก็ยังไม่พอที่จะบรรจุกิเลสตัณหาพรหมโลกที่ว่าสูง หากกิเลสตัณหาเป็นรู ป, ปธรรมก็จะล้นสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกทำให้พวกพรหมโลกดูต่ำลงพระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตติตัณหาสมาณทีแม่น้ำเสมอด้ดยตัณหาไม่มีเพราะแม่น้ำยังมีวันเต็มฟังแต่ว่ากิเลสตัณหาไม่มีวันเต็มท่านพูดแบบโปรงๆเช่นกันนั่นใช่ครับ พระองค์ก็ทรงยกรรพระเจ้ามันธาตุราชโอรสของพระเจ้าอุโบสถผู้เป็นบนรรพบุรุษของสักยะวงมาเป็นตัวอย่างพระองค์ตรัสว่าพระเจ้ามันธาตุราชทรงเป็นมนุษย์ที่มีกิเลส ต, ตัณหาอย่างไรขอบเขตคือไม่มีคำว่าพอแม้จะทรงมีรัตนะทั้งเจ็ดคือช่างแก้วมาแก้วคุณพลแก้วคุณคลังแก้ว นางแก้วจักแก้วและแก้วมณีทรงมีแสนยานุภาพมากพระองค์ก็ได้ทําสงครามขยายอาณาจักรออกไปจนจดมหาสมุทรทั้งสี่เรียกว่าเป็นผู้ครองโลกเลยทีเดียวแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่พอพระทยัยทรงอยากมีแสนยานุภาพมากกว่านี้จึงมีรับสั่งถามเสนาบดีว่าที่ที่ดีกว่านี้มีอีกไหม เสนาบดีกราบทูลว่าในเมืองมนุษย์ไม่มีอีกแล้วสูงกว่าเมืองมนุษย์ก็ต้องสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกาสิพยาค่ะพระเจ้ามรนทาตุราชทรงหมุนจากแก้วแล้วพระองค์ก็ทรงขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกาอันเป็นแดนติดเท้ามาหาราชทั้งสี่ปกครองเท้ามาหาราชทั้งสี่เมื่อทรงทราบพระประสงค์ ของพระเจ้ามันทาตุราชแล้วก็พร้อมใจกันยกสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาให้ปกครองพระเจ้ามันทาตุราชก็ดีพระไทยมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็เกิดเบือ่อจึงมีรับสั่งถามเสนาบดีคนเดิมว่าดีกว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอีกไหมเสนาบดีกราบทูลมีพยาค่ะก็สวรรค์ชั้นดาวดึงนันไง พระเจ้ามันธาตุราชทรงหมุนจากแก้วอีกครั้งก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีเท้าสักกะปกครองเท้าสักกะเมื่อได้ทรงสนทนากับพระเจ้ามันธาตุราชก็ทราบความต้องการของพระองค์ก็ทรงแบ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ปกครองครึ่งหนึ่งพระเจ้ามันธาตุราชครองสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่นาน ก็เริ่มอยากจะได้มากกว่านี้คืออยากครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ผู้เดียวเมื่อต้องการเช่นนี้ก็ต้องกำจัดเท้าสักกะก็คิดจะฆ่าเท้าสักกะแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถฆ่าเทวดาได้เพราะเทวดาเขามีอายุทิพย์เมื่อไม่สามารถฆ่าเท้าสักกะได้พระองค์ก็กลัดกลุ่มพระทยัยจนถึงกับประชวรแล้วก็ต้องสวรรคต ที่นี้มนุษย์จะตายบนสวรรค์ไม่ได้พระองค์ก็เลยตกลงมาในโลกมนุษย์หลวงพ่อทราบไหมครับว่าพระองค์ตกลงมาที่ไหนท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองตกลงมาในสวนของพระองค์แล้วก็ในสภาพใกล้จะตายมหัาเล็กก็ไปพบเข้าเกาะถามไทยเมื่อได้ความว่าเคยเป็นพระราชากรองดินแดนแห่งนี้ ก็พาไปเฝ้าพระราชาซึ่งเป็นเชื้อสายของพระองค์แต่ไม่มีใครรู้จักเพราะเวลาในโลกมนุษย์กับในเวลาสวรรค์ชั้นดาวดึงแตกต่างกันกล่าวคือร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าพระเจ้ามันทาตุราชมาอยู่ในชั้นดาวดึงสองวันก็เท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นผู้ที่ครองเมืองขณะนั้นก็คงจะเป็นรุ่นเลนของพระองค์หลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยเล่าต่อครับพระเจ้ามันธาตุราชก็เลยต่องสวรรคตรพร้อมกับคลาครวนว่ายังไม่สมปรารถนาแต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับถ้าพระองค์ได้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงไม่นานก็คงเบือ่อ แล้วก็อยากจะครองชั้นยามาชั้นดุสิตไปเรื่อยๆนี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตติตันหาสมาณทีคนที่ถูกกิเลสตันหากรอบงามเขาจะตายแบบที่ยังไม่สมหวังแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกน่าสังเวชนะครับท่านพระครูพูดแบบปรงสังเวช ท, ท่านพระครู เมื่อกี้นี้เราได้คุยกันเรื่องปรมามโนนั้นท่านพระครูจะตอบผมได้ไหมว่า 1. ตัชรีมีกี่อโนแล้วก็กี่ปรมามโนอยู่อยู่พระมหาทองยอดก็ตั้งคำถามมี36อโนและ1296ปราปรามโนครับท่านทราบได้อย่างไรก็เอา36คูณกับ36สิครับ หรือถ้าท่านมหาอยากทราบวันหนึ่งรัฐาเรโูมีกี่ปรามาณูให้เอา36คูณ36แล้วก็คูณอีก36ก็จะได้ 46,656 ื 46, ราปรมาณูโอ้โหลงพ่อเก่งจังสมัยเรียนท่านคงเก่งคำนวณมากใช่ไหมครับพระมหาทองยอดพูดอย่างชื่นชม เปล่าลอกผมใช้เครื่องคิดเลขคูณออกมาแล้วก็จำตัวเลขไว้สมัยเรียนผมเกมากสอบตกทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาคนวณหรือว่าไม่คนนํานวณสมภา์วัดป่ามะม่วงตอบเสียงอ่อย